เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนผมเป็นคนจังหวัดระยองแต่ไปเรียนอยู่ที่ชนบุรี <c oughs> ก็มักจะไปไปมาๆกลับบ้านอยู่บ่อยๆส่วนแม่ผมมีอาชีพเป็นคนขายข้าวแกงอยู่ในตลาดซึ่งร้านขายข้าวแกงก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึกแถวแล้วตึกนั้นก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นร้านขายของชำเขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเพิ่งย้ายมาจาก8ริวก็เลยไม่ค่อยจะมีเพื่อน แต่ด้วยที่แม่ผมรู้จักกับร้านขายของชำอยู่แล้วก็เลยแนะนำกับผมให้ไปคุยกับน้องเขาหน่อยจะได้มีเพื่อนเราสองคนอายุห่างกันไม่มากประมาณ1ถึงสองปีโดยเต่านั้นมีลักษณะเด็กหน้าตาดีผิวขาวค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวแต่ว่ามนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จอกเป็นคนเงียบเงียบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แรกๆที่ได้คุยกับเขา ผมก็ถามคำเขาก็ตอบคำเหมือนคนไม่ค่อยจะได้พูดอะไรกับใครสักเท่าไรแม้กระทั่งโรงเรียนที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนใหม่เป็นโรงเรียนในตาบลเขาก็ยังไม่มีเพื่อนเลยจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งเตอ๋อมาหาผมที่บ้านแล้วก็ขอให้ผมไปช่วยต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านมันให้หน่อยซึ่งสมัยนั้นยังใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายโทรศัพท์บ้านอยู่เลยผมตอบตกลงแล้วในคืนนั้น ผมก็ไปบ้านเขาจึงได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเป็นคนขี้เล่นชอบหยอกลอ้อผิดกับบุคลิกเขาที่เห็นเป็นอย่างมากทําให้หลังๆมานี้พวกเราเริ่มสนิทกันไปไหนก็ไปได้กันแม้แต่ล่าท้าผีบ้านไหนซอยไหนมีผีก็พากันไปซะทุกที่แต่ไม่เคยเจออะไรสักทีจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะได้กลับมาบ้านทาให้ผมหายไปพักใหญ่ เมื่อกลับมาอีกครั้งก็ได้ยินข่าวว่าเตอ๋อจากเด็กที่เคยร่าเริงแจ่มใสกลายเป็นนักเลงหัวโจกไปเสียแล้วเพราะคบเพื่อนไม่ดีผมก็เลยไปหามันที่บ้านแล้วชวนมันมานั่งคุยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนแรกเขาดูเหมือนจะฟังที่ผมพูดนะแต่ผมก็พอจะดูออกว่าจริงๆแล้วเขาไม่รับฟังผมหรอกทำให้เตอ๋อมักจะมีเรื่องไปชกต่อยกับคนบ้านนู้นทีบ้านนี้ที ต่างตำบลก็ไปจนมีเรื่องถูกจับแต่พ่อแม่ของเตอ๋อค่อนข้างมีฐานะก็มักจะไปประกันตัวออกมาอยู่บ่อยๆวันเวลาผ่านไปยิ่งนานวันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจากเด็กเกเรกลายเป็นเด็กอันธพาลเต็มตัวเป็นหัวโจก ข, ของตำบลไปเลยจนแม่ผมสั่งว่าไม่ให้ไปยุ่งกับเตอ๋ออีกครั้งเมื่อผมสอบเสร็จผมก็กลับมาบ้านอีกรอบพอเต๋อรู้มันก็มาหาผม ถามว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ตอบว่าสบายดีแล้วถามกลับเป็นมารยาทว่ามันละ่ะเป็นยังไงบ้างตือก็บอกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายเลยแล้วก็เปิดเสื้อโชว์แผลให้ผมดูว่าเขาโดนแทงมาที่ท้องผมตกใจแล้วก็บอกว่าเลิกเถอะอย่าเดินทางเส้นนี้เลยมันไม่ดีไม่ตายก็คงติดคุกแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย ผมก็เลยย้อนว่าสักศีของเองมันทำอะไรได้วะมันทำให้พ่อแม่เดือดร้อนผมด่ามันไปเยอะมากจนดูออกว่ามันโกรธเคืองผมจากนั้นมันก็ไม่ได้มาหามาคุยกับผมอีกเลยจนกระทั่งช่วงสองสามอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่ผมจะกลับไปเรียนอีกผมได้ไปดูหนังโรงแล้วตอนกลับก็เริ่มมืดแล้วตรงผ่านเส้นทางถนนเรียบชายหาด มันจะต้องผ่านซอยซอยหนึ่งซึ่งคนแถวนั้นเรียกว่าซอยผีดุซอยนี้ถ้าเข้าไปลึกๆมันจะเป็นบ้านเถวๆที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ติดกับชายทะเลขณะที่ผมขี่ผ่านเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกลุ่มของเตอนั่งกินเหล้ากันอยู่ผมจึงจอดรถแล้วเข้าไปหาถามมันว่ามานั่งกับใครมันก็บอกว่ามานั่งกับเพื่อนรุ่นพี่ พะผมมองดูหน้ามันชัดๆก็เห็นแต่รอยปูดรอยเขียวเต็มหน้าตาส่วนอื่นๆก็มีรอยถลอกบ้างก็เลยถามมันไปว่าไปทำอะไรกันมามันก็บอกไปตีเด็กบ้านนูนมาแล้วก็มาฉลองกันอยู่ตรงนี้แล้วเตอ๋อก็จูงมือผมให้ไปนั่งกินด้วยซึ่งหน้าตาของคนในกลุ่มที่นั่งกินเราแต่ละคนไม่แพ้เจ้าเตอเลยทีเดียวตอนแรกผมก็จะนั่งกินพอเป็นพิธี แต่ตอนนี้จะหาทางเลี่ยงกลับก็ไม่รู้จะออกตัวยังไงดีแล้วพอดีว่ามีเพื่อนรุ่นพี่สองคนเขาขี่ผ่านมาพอดีจึงตะโกนเรียกผมว่ามาทำอะไรตรงนี้พี่เขาจอดรถแล้วก็เข้ามาหาผมจากนั้นก็กระซิบบอกผมว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันกู่ไม่กลับแล้วเดี๋ยวจะพาเราเสียไปด้วยผมจึงได้โอกาสยกแก้วสุดท้ายแล้วก็จะขอตัวกลับพร้อมกับรุ่นพี่ทั้งสองเลย ซึ่งตอนนั้นผมเห็นเพื่อนของเจ้าเตอ๋อคนหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างหลังเจ้าเตอ๋อแล้วเอาหัวมาเกยไหลเจ้าเตอ๋อซึ่งหน้าของเขามันเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสดด้วยความที่บริเวณ น, นั้นมันมืดแล้วแสงไฟสีส้มที่ศาสต์ส่องมาทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดผมก็ดันเผลอพูดออกมาว่าให้คนนี้มันจะไหวไหมเจ้าเตอ๋อก็ตอบมาว่าไว้สิพี่โดยที่มันไม่มองเลยว่าผมหมายถึงใคร ผมก็เออออแล้วก็ขอตัวกลับบ้านทั้งยังคิดว่าให้คนนั้นมันอึดจริงๆขนาดเลือดเต็มหน้าอย่างนั้นยังไม่ไปโรงพยาบาลอีกจากนั้นผมก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดออกบาจนมีอยู่วันหนึ่งที่ผมได้เจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่แม่ผมขายข้าวแกงพร้อมกับลูกชิ้นทอดตอนเย็นของวันนั้นเติมมาซื้อลูกชิ้นทอดที่แม่ผมโดยซื้อไปถึง100บาท แม่จึงทักว่าทำไมถึงซื้อไปเยอะขนาดนั้นเตอ๋อก็ตอบมาว่าขอกินก่อนนะป้าเดี๋ยวตายแล้วจะไม่ได้กินหลังจากนั้นเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ผมก็ไม่ได้ข่าวคราวของเขาอีกเลยเวลาล่วงเลยไปได้หนึ่งถึงสองเดือนแม่ของเจ้าเตอ๋อก็มาหาผมถามว่าเห็นเตอ๋อบ้างไหมมันหายไปไหนก็ไม่รู้สองสเดือนแล้วตอนนั้นผมเข้าใจว่ามันคงติดเพื่อน คงไปอยู่กับเพื่อนมันนั่นแหละผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคืนหนึ่งผมก็ขี่รถเที่ยวกันตามปกติไปกับเพื่อนกันเป็นกลุ่มซึ่งรถที่ไปนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพวกเพื่อนๆก็นั่งพ่วงข้างนั้นไปมีซ้อนท้ายบ้างบางส่วนพวกเราขี่รถเล่นเลียบชายหาดแล้วก็ชวนเพื่อนๆขี่เข้าไปในบ้านผีกันพอเข้าไปก็เห็นเป็นทาวน์เฮาส์หลายๆหลังแต่ยังสร้างไม่เสร็จ มีรากปลากระหักพังกองอยู่เต็มไปหมดพวกเราเดินเข้าไปประมาณเจ็ดถึงแดคนมีไฟฉายอยู่อันหนึ่งเมื่อส่องไปในบ้านผมรู้สึกเหมือนกับว่าจะเห็นเจ้าเตอ๋ออยู่แวบหนึ่งพอถามเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเห็นมันเดินจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งแล้วก็วนไปไปมามาจนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ ผมคิดในใจไอ น, นีต้องตามมาแกล้งแน่นอนเลยบอกเพื่อนๆ พ, พวกเรากลับกันดีกว่าไม่รู้มันจะตามมาตีพวกเราหรือเปล่าแล้วผมก็ขี่รถพ่วงข้างกับแวะส่งเพื่อนลงบ้านทีละคนจนมาถึงทางกลับบ้านของผมตอนกลับจะต้องผ่านถนนเลียบชายหาดผมขี่ผ่านมองเห็นเจ้าเตอยืนอยู่หน้าปากซอยแต่ก็ไม่ได้ทักทายอะไรผมขี่ผ่านเลยไป แต่ด้วยความเป็นห่วงจึงหันหลังกลับไปดูก็เห็นเขาโบกมือเรียกอยู่ผมจึงจอดรถแล้วเลี้ยวกลับไปเมื่อหันไปอีกทีเต๋อก็ไม่อยู่แล้วเช้ามาผมก็ได้ไปบอกแม่ของเขาว่าเห็นเตอ๋อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็พากันออกตามหาแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งวันพระผมต้องตื่นเชา้าเอาเข้าวแกงไปส่งที่ร้านผมขี่รถออกมาซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่ รหว่างทางที่เดิมผมเห็นเตย อ, อีกแล้วยืนที่เดิมใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมผมก็เลยจอดถามว่ามาทำอะไรตรงนี้เขาตอบผมว่ามากับเพื่อนมาส่งเพื่อนแต่เพื่อนหายไปไหนไม่รู้ผมจึงถามอีกว่าทำไมไม่กลับบ้านเขาตอบว่าจําทางกลับบ้านไม่ได้ผมจึงบอกให้เขาขึ้นรถมาแล้วเขาก็ถามว่าขอเข้าบ้านผมได้ไหม แน่นอนเพื่อนกันผมก็ต้องให้เข้าได้อยู่แล้วแล้วเขาก็พูดแปลกๆว่างั้นผมเข้าบ้านพี่ได้แล้วนะผมก็เรียกเขาขึ้นมาบนรถอีกครั้งแต่เขาไม่ยอมขึ้นแล้วก็เดินหายเข้าไปในซอยตอนนั้นผมคิดว่ามันคงเมายาหรือเปล่าผมจึงขี่รถเอาเข้าวแกงไปส่งแม่ตามปกติสองสาวันถัดมาเมื่อเตอยังไม่กลับมาบ้านผมก็ไปคุยเรื่องนี้ให้แม่ของมันฟัง แล้วทางบ้านเตอ๋อก็ไปแจ้งความให้คนออกตามหาหายังไงก็ไม่เจอจนค่ำผมก็กลับมานอนที่บ้านและแล้วคืนนั้นก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นขณะที่ผมกำลังนอนหลับอยู่นั้นก็ต้องตกใจตื่นเมื่อจมูกได้กลิ่นเหม็นสาบกลิ่นชุนระแรงมากๆและรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินผ่านไปมาแถวๆบริเวณหน้าทีวี เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเตอยืนกอดอกจ้องมองผมอยู่ผมตกใจและแปลกใจมากจึงถามมันออกไปว่ามาตอนไหนแล้วผมก็หันไปมองนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาตีสามแล้วเตอพูดกับผมว่าอยากกลับบ้านแต่ก็กลับเข้าไปไม่ได้ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรคิดว่า มันคงกลัวแม่จะด่าหรือเปล่าเลยไม่กล้ากลับบ้านจึงบอกให้เตือนอนที่นี่แหละรอให้เช้าจะไปส่งที่บ้านผมง่วงมากจึงนอนต่อส่วนเต๋อ น, นั่งข้างๆผมแล้วก็ร้องไห้พร่ำบนอะไรของเขาไปผมพลอยหลับไปตื่นไมท่ทีประมาณตีสีถึงตีห้าแล้วเพราะแม่ทำแกงอยู่ในครัววันนี้ทำแกงสายเพราะไม่ใช่วันพระ พอตื่นมาเจ้าเตือก็หายไปแล้วตอนเชา้าผมก็ไปคุยกับแม่ของเขาแม่เขาก็เป็นห่วงมากแล้วตอนที่เจ้าเตือออกจากบ้านไปก็มีสร้อยทองเส้นหนึ่งกับแหวนนามสกุลติดตัวเขาไปด้วยแม่ของเตอจึงไปหาตามร้านทองเพื่อลูกตัวเองจะเอามาจำนำแต่ก็ไม่มีจนเวลาล่วงเลยผ่านไปสองสปี ระหว่างนั้นก็มีเพื่อนๆเจอเขาบ้างแต่ก็เพียงแค่แว บ, บๆเท่านั้นแล้วช่วงนั้นผมก็ได้ไปเกณฑ์าหารก็บอกกับแม่ว่าถ้าจับได้ใบดำจะไปบวชแล้วผมก็ได้ใบดำจริงๆทำให้ช่วงนั้นผมต้องไปไปมาๆระหว่างวัดอยู่บ่อยๆแล้วคืนนั้นผมก็เจอกับเตอ๋ออีกในระหว่างทางเขายือนอยู่ที่เดิมซอยเดิมเสื้อผ้าตัวเดิม ผมก็เข้าไปหามันเพื่อที่จะถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนมาซึ่งหน้าตาคนเราสองสมปีนี้มันควรจะต้องเปลี่ยนไปบ้างสิแต่หน้าตาของเตอร์นั้นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเตอร์ก็บอกมีเรื่องอยากให้ช่วยให้ผมช่วยไปบอกแม่ของเขาว่าให้ไปดูที่ร้านทองอีกทีหนึ่งผมรับปากบอกได้แล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อก็ออกมาเลยเช้ามา ผมก็ไปบอกกับแม่ของเตอ๋อแม่เขาก็ไปดูที่ร้านทองอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามีคนเอาแหวนนำสกุลเขาไปขายจริงๆด้วยจึงสืบตามว่าใครเป็นคนนำไปขายแล้วก็เจอป้าเทศบาลคนหนึ่งซึ่งกวาดขยะอยู่แม่กองเตอ๋อจึงเข้าไปถามว่าป้าได้แหวนวงนี้มาจากไหนซึ่งป้าก็ได้บอกว่า ขณะที่ไปกวาดเทาเหาร้างก็ได้เจอแหวนวงนี้ตกอยู่ที่พื้นดินเขาก็เลยเก็บเอาไปขายแม่เต๋อจึงขอให้ป้าแกพาไปส่งดูจุดที่เจอแหวนวงนั้นซึ่งแน่นอนว่าพวกเราต้องไปตอนกลางวันมีผมและเพื่อนไปด้วยอีกสองสามคนแล้วป้าแกก็ชี้บอกว่าอยู่หลังเทาเหาซึ่งที่ดินตรงนี้มันดูแปลกๆไม่เสมอกัน ผมรู้สึกมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากนักเมื่อหาเต๋อกันไม่เจอก็กลับกันแต่ทุกคนรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกันแล้วจึงไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งกําลังกวาดลานวัดอยู่แม่เต๋อจึงเข้าไปคุกเข่าพนมมือขอให้หลวงพ่อช่วยดูลูกให้หน่อยว่าอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อท่านก็ทิ้งไม้กวาดลงพื้นในทันทีจากนั้น ก็แหงนหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าเอามือบังแสงเหมือนกําลังมองอะไรอยู่แล้วสักพักหลวงพ่อก็บอกว่ามันตายแล้วนี่แล้วแม่คงเต๋อก็เป็นลมไปตรงนั้นเลยหลวงพ่อบอกต่อว่าให้ไปดูเต๋อมันอยู่แถวทางเลียบทะเลไปดูมันซะพวกเราก็พากันไปพ่อของเต๋อก็พาตำรวจไปด้วยอีกสองนายไปตรงจุดที่เจอแหวนที่พื้นดินนั่นแหละ เมื่ตัดสินใจลองขุดดูก็เจอจริงๆแต่เหลือเพียงแค่โครงกระดูกเท่านั้นผมจุกจนพูดอะไรไม่ออกน้ำตาไหลอาบสองแก้มโดยไม่รู้ตัวและเมื่อสืบสาวราวเรื่องว่าทองอีกเส้นหนึ่งนั้นอยู่ไหนก็ไปเจอที่ร้านทองร้านหนึ่งเพราะสมัยนั้นร้านทองมีเพียงไม่กี่ร้านปรากฏว่า มีเพื่อนเตอ๋อคนหนึ่งเอามาขายซึ่งเพื่อนคนนี้เคยเป็นคู่อริกับเตอ๋อมาก่อนแต่มาเป็นเพื่อนกันทีหลังจึงอาจทำให้คิดไม่ซื้อแล้วยังติดยาอีกด้วยเลยลวงเตอ๋อไปที่แห่งหนึ่งใช้แลงตีเข้าที่ท้ายทอยแล้วตีกระหน่าเข้าที่ใบหน้าจนตายซึ่งถึงแม้จะเหลือเพียงโครงกระดูกแต่บริเวณกระโหลกก็มองเห็นรอยร้าวต่างๆได้ชัดเจน ผมได้เข้าไปคุยกับเพื่อนเตอ๋อที่ลงมือฆ่าว่าทำไปทำไมมันตอบว่าก็นึกว่าจะไม่มีใครรู้และก็ฆ่ามาได้สองสามปีแล้วจากนั้นแม่ของเตอ๋อก็เอากระดูกกลับไปทำพิธีทางาศาสนาที่8ริวส่วนฆาตรกรก็ถูกดำเนินคดตีตามกฎหมาย ในหนังที่เราดูกันส่วนใหญ่มักเห็นคนตายตัวเย็นน้ำเสียงยานแต่มันไม่ใช่เลยเขาพูดปกติเหมือนกับเราทุกอย่างเพียงแต่ว่าการคุยมันจะดูแปลกๆไปเท่านั้นเองไม่แน่ว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณในตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้